ทันเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเกมกราคมพุทธศักราชสอง7ห้าสเจ็ตรงกับวันพระรหัสขึ้นแปดข้าเดือนสามปีมาแมเป็นวันพระวันธรรมสวรนระวันฟังธรรมการที่ท่านทั้งหลาย ได้มาที่วัดในวันพระอย่างสม่ำเสมอและอย่างต่อเนื่องนั้นก็เป็นเพราะว่าท่านมีความเชื่อในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไว้ว่าเรามีกรรมเป็นของของตนจากทํากรรมอันใดไว้จากต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นด้วยเหตุนี้นั่นเอง เราจึงมาที่วัดกันเพราะเมื่อเรามาที่วัดเราก็จะได้ประกอบคุณงามความดีทสร้างบุญสร้างกุศลเมื่อเราทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลผลที่ดีคือความสุขความเจริญก็จะตามมาเรามาละเว้นการกระทำบาปทำกรรมด้วยการสมาทานศีลเราก็ไม่ต้องไปรับผลของบาปกรรมคือความทุกข์ ความเสื่อมอยากจะให้ทำความเข้าใจไว้ว่าผลที่เกิดจากการกระทำความดีและการกระทำบาปทำความชั่วนั้นผลที่ได้รับใ้หมายถึงผลในจิตใจเป็นหลักคือความสุขความสุขความเจริญก็เป็นความสุขความเจริญของจิตใจความทุกข์ความเสื่อมก็เป็นความทุกข์ความเสื่อมของจิตใจไม่ได้หมายถึงความเจริญหรือเสื่อม ในเรื่องราบยศเสริญ ส, สุขทั้งหลายซึ่งเป็นผลพลอยได้ไม่ได้เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการกระทาความดีหรือการกระทาความชั่วดยโดยตรงแต่ผลที่เราได้รับโดยตรงนี้ก็คือผลที่เกิดขึ้นกับจิตใจของเราคำว่าสุขก็คือจิตเรามีความสงบเมื่อจิตมีความสงบก็มีความสุขคำว่าเจริญก็หมายถึงว่า จิตได้พัฒนาสถานะของตนให้สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่จากความเป็นมนุษย์ก็พัฒนาขึ้นสู่ความเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลตามลำดับต่อไปความทุกข์ก็หมายถึงความทุกข์ภายในจิตใจเวลาที่เรามีความว้าวุ่นขุนมัวที่เกิดจากความคิดที่ไม่ถูกต้องหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ก็จะสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจให้กับเราส่วนความเสื่อมของจิตใจก็หมายถึงสภาพจิตใจได้เสื่อมลงจากฐานะของความเป็นมนุษย์ลงไปสู่เป็นเปรตเป็นอสูรกายเป็นเดรัจฉานเป็นสัตว์นรกตามลำดับต่อไปนี่คือความหมายของการกระทาคือหมายถึงผลที่เกิดขึ้นจากการกระทาของเรา ไม่ว่าดีหรือเชื่อก็จะมีความสุขความเจริญหรือมีมีความทุกข์มีความเสื่อมตามมาไม่ได้หมายความว่าเมื่อเรามาทําบุญทําความดีรักษาศีลปฏิบัติธรรมแล้วเราจะประสบความสําเร็จในทางด้านลาบยศเสริญสุขมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นผลโดยตรงแต่ก็มีผลคลอยได้คือบางทีเราทาความดี คนเขาเห็นความดีของเราเขาก็สนับสนุนส่งเสริมเราแต่ถ้าเขาไม่เห็นความดีของเราเราก็อาจจะไม่ได้ ร, รับการสนับสนุนส่งเสริมเ <_ C 0> ช่นเดียวกับเวลาที่เราทำบาปทำความชั่วถ้าไม่มีคนเห็นเราก็ไม่มีใครมาประนามหรือมาจับเราเข้าคุกเข้ า, ขาตารางหรือเวลาที่มีคนเห็นเขาก็ถึงจะมาประนามเราหรือจับเราเข้าคุกเข้ า, ขาตารางเท่านั้น ดังนั้นจึงต้องทําความเข้าใจไว้เพื่อจะได้ไม่เกิดความท้อแท้ใจเวลาที่เราทําความดีแต่เราไม่ได้เจริญในเรื่องราบยศเสริญสุดก็ต้องเข้าใจว่านั่นไม่ได้เป็นผลที่เกิดจากการกระทําความดีโดยตรงขอให้ดูที่ใจเราเป็นหลักเวลาเราทําความดีถ้าเราทําด้วยความบริสุทธิ์ใจเช่นเราช่วยเหลือผู้หนึ่งผู้ใดสงเคราะห์ผู้หนึ่งผู้ใด ทำบุญให้ทานกับผู้หนึ่งผู้ใดเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือไม่ถ้าเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจคือเราไม่หวังผลตอบแทนจากบุคคลที่เราช่วยเหลือเลยเราไม่ต้องการชื่อเสียงเราไม่ต้องการความสรรเสริญเยือนยอเราทำไปเพราะเราเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เราควรจะทาเมื่อเราทำไปแล้วในลักษณะนี้จิตของเราก็จะมีความสงบมีความสุขปรากฏขึ้นมา จิตของเราก็ได้พัฒนาขึ้นสูงขึ้นไปตามลําดับต่อไปนี่ตัางหากคือผลที่เราควรจะเล็งถึงอย่าไปกังวลกับผู้อื่นที่เขากระทําความชั่วทําบาปทํากรรมแต่เขากลับได้ดิบไดด้ีในทางาลาภยศเสรเสริญสุขแต่ภายในจิตใจของเขานั้นเมื่อเขาทําบาปทํากรรมไปจิตใจของเขาจะต้องมีความวุ่นวายว้าวุ่นขุนมัว ไม่มีความสงบถ้าไม่มีความสงบก็ไม่มีความสุขเช่นเวลาไปทำอะไรผิดแล้วยังไม่มีใครรู้แต่ตนเองก็รู้อยู่ในใจของตอนว่าได้กระทำความผิดแล้วความกังวลใจความหวาดระแวงย่อมมีกับบุคคลคนนั้นเพราะศีลของเขาไม่บริสุทธิ์นั่นเองเขาได้ละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งไปแล้วจึงทำให้เขานั้นมีความ <c oughs> วิตกความกังวลใจ ในขณะเดียวกันสภาพจิตของเขาก็เสื่อมลงไปเทียเล็ก <c oughs> เทียน้อยจากความเป็นมนุษย์ลงไปสู่สภาพของของเปรตของสุรกายของเดราัชานหรือสัตว์นรกตามลำดับต่อไป <c oughs> นี่แหละคือเรื่องราวของความดีความชั่วและผลของความดีความชั่วคือความสุขความเจริญความเสื่อมความทุกข์นั้น <c oughs> เ ป, Yin, เป็นสิ่งที่เราเป็นผู้กระทากันทั้งสิน้นไม่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดสามารถมอบให้กับเราได้และก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะสามารถขอจากบุคคลหนึ่ ง, <c oughs> งบุคคลใดเราก็ขอไม่ได้เรื่องความดีเรื่องความชั่อและผลของความดีและผลของความเชื่อนั้นต้องอยู่ที่ตัวเราเป็นผู้กระทำถึงแม้เราจะกราบพระพุทธเจ้า ment, ขอ ความดีงามต่างๆจากท่านท่านก็ให้เราไม่ได้เพราะท่านสอนให้เรายึดหลักหลักอัตตาหิอัตโนนาโถนั่นเองท่านสอนให้เราทําความดีและความชั่วแล้วผลของความดีก็จะปรากฏขึ้นส่วนผลของความชั่วก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาเพราะดีชั่วนั้นเป็นต้นเหตุของผลคือสุขเจริญทุกข์หรือความเสื่อมดังนั้น จึงขอให้เราทําความเข้าใจว่าเราจะไปหวังพึ่งผู้อื่นในเรื่องของความดีความชั่วและผลของความดีและความชั่วและก็อย่าไปคิดว่าเรามีความดีแล้วเราสามารถมอบให้กับผู้อื่นได้ทําบุญแทนกันไม่ได้ใครทําใครก็ได้ใครไม่ทําใครก็ไม่ได้นี่แหละจึงเป็นเหตุที่ว่าทําไมเราทุกคนจึงต้องมาที่วัดกันเพื่อ ปฏิบัติทำประกอบคุณงามความดีทั้งหลายเพราะที่วัดนี้เป็นสถานที่เหมาะสมต่อการเจริญความดีและการละความชื่วนั่นเองเปรียบเทียบเหมือนกับโรงพยาบาลเวลาที่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยจะรักษาอยู่ที่บ้านก็อาจจะรักษาได้บางโรคแต่ถ้าเป็นโรคที่หนักเข้า จะรักษาที่บ้านก็คงจะไม่ไหวต้องไปที่โรงพยาบาลจะดีกว่าการการดูแลรักษาจิตใจด้วยความดีงามด้วยการไม่กระทําความชั่วก็เหมือนกันจะอยู่ที่บ้านก็ทําได้แต่อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับการมาที่วัดเพราะที่วัดจะมีบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการทําความดี ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ก็ดีหรือบุคคลต่างๆก็ดีนั้นเป็นบุคคลที่มีความเห็นความปฏิบัติคล้ายคียงกันไม่สวนทางกันทำให้ช่วยสนับสนุนกันทำให้เกิดกําลังใจที่จะปฏิบัติและทำความดีให้ยิ่งๆขึ้นไปแต่ถ้าอยู่ที่บ้านเราอาจจะเป็นคนที่ปฏิบัติคนเดียว แ ต, แต่คนที่อยู่คนอื่นเขาอาจจะไม่สนใจปฏิบัติก็ได้เช่นเราอาจจะถือสินแปดละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วแต่คนอื่นเขาไม่ได้ถือสินแปดเขาก็ยังรับประทานอาหารตอนเย็นกันอยู่เวลาที่เขารับประทานอาหารเราก็อาจจะเกิดความรู้สึกหิวขึ้นมาก็ได้ก็อาจจะทำให้เราไม่สามารถที่จะรักษาสินข้อนี้ได้ ถ้าเราไม่มีความแน่วแน่ในการรักษาศีลแต่ถ้าเรามาที่วัดที่มีบุคคลปฏิบัติธรรมอยู่ในระดับเดียวกันก็ไม่จะไม่มีปัญหาในเรื่องเหล่านี้เพราะทุกคนก็ถือศีลแปดด้วยกันทุกคนก็ไม่รับประทานอาหารเย็น <c oughs> ดังนั้นเราจึงควรที่จะเลือกสถานที่เวลาที่เราจะปฏิบัติธรรมประกอบคุณงามความดี แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าในชีวิตประจำวันของเราเวลาที่เราไปไหนมาไหนทำกิจกรรมอะไรต่างๆเราก็ยังประกอบความดีได้เราเจอขอทานและเกิดความสงสารเราจะให้เงินเขาสักหน่อยก็เป็นการกทำความดีเหมือนกันนะเวลาเราขับรถใครก็มาปาดหน้าเราเราก็ระงับอารมณ์กโกรธนั่นเสียอย่าไปโกรธเขาถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ในโลก ก็เป็นเหมือนกับลิ้นกับฟันบางครั้งก็มีการขบกันบ้างแต่ถ้าเราให้อภัยเป็นใจของเราก็จะสงบใจของเราก็จะเย็นแล้วก็จะไม่มีเรื่องมีราวแต่ถ้าเราไม่รู้จักระงับความโกรธเมื่อเขาปาดหน้าเราเราก็ขับรถจี้ตุ๋นเขาไปจนในที่สุดเราก็ปาดหน้าเขาชนเขาก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวลงมาดีไม่ดีก็อาจจะมีการทะเลาะเบาแวง ทุบทำร้ายร่างกายกันจนถึงแก่ความตายก็เป็นไปได้ <c oughs> ถ้าเราไม่ระมัดระวัง น, นี่ก็คือผลที่เกิดขึ้นจากการที่เราไม่ควบคุมการกระทาของเราให้อยู่ในกรอบของความดีงามนั่นเองดังนั้นในชีวิตของเราในแต่ละวันเราจึงต้องมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องดูแลการเคลื่อนไหวของกายวาจาใจ เพราะการเคลื่อนไหวของกายวาจาใจานี่แหละก็คือการกระทำที่เรียกว่ากรรมการกระทำทางกายก็เรียกว่ากายกรรมทางวาจาก็เรียกว่าวาจีกรรมทางจิตทางใจก็เรียกว่ามโนโกรรมทั้งสามนี้เป็นเป็นกรรมที่เมื่อทาไปแล้วย่อมส่งผลตามมากรรมก็มีแบ่งไว้สามชนิดด้วยกัน กรรมดีเรียกว่ากุศลกรรมกรรมชั่วเรียกว่าอกุศลกรรมกรรมที่ไม่ดีไม่เชื่อเรียกว่าอภัยากิจนี่คือกรรมที่เราทากันอยู่อย่างต่อเนื่องในแต่ละวันตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับดังนั้นเราจึงควรที่จะให้ความสำคัญต่อการกระทาของเราด้วยการพัฒนาสติคือผู้คอยดูแล การเคลื่อนไหวของของขอ ง, ของการกระทําของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทําทางใจที่เรียกว่ามนโนกรรมเป็นกลัวตัวการที่สำคัญเพราะเป็นผู้ริเริ่มถ้าจิตไม่คิดใจไม่สั่งแล้ววาจากับการเคลื่อนไหวทางกายย่อมไม่เกิดขึ้นอย่างในขณะที่เรานั่งอยู่นี้ ถ้าเราจะลุกขึ้นใจเราต้องคิดเสียก่อนว่าลุกขึ้นถ้าจะพูดก็ต้องคิดเสียก่อนว่าจะพูดอะไรถ้าเรามีสติเราจะรู้การเคลื่อนไหวของความคิดเราอยู่ทุกขณะถ้าเรารู้ทันความคิดของเราเวลาที่จะคิดไปในทางอากุศลเราก็ลังับยับยั้งเสียเช่นเวลาคนขับรถปาดหน้าแล้วก็เกิดโทรศัขึ้นมา ก็ต้องรู้ทันโทสะนี้นี่ก็เป็นมโนโกรรมแล้วถ้าปล่อยให้อ่าไหลออกไปต่อไปก็จะออกไปสู่วาจาและสู่การกระทําทางกายก็จะเกิดผลเสียผลร้ายตามมาแต่ถ้าเรามีสติแล้วเราระงับยับยัง้งอกุศลที่เกิดขึ้นภายในจิตได้รู้ว่าความโกรธนี้เป็นอกุศลเราก็ระงับดับเสียเมื่อระงับแล้ว ก็ไม่มีอะไรตามมาวัชิกรรมก็ไม่ไม่มีตามมากายกรรมก็ไม่มีตามมาผลเสียหายต่างๆก็ไม่มีตามมา <Yeah. S 1> ดังนั้นการดูแลจิตใจจึงเป็นภารกิจที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ปรารถนาความสุขความเจริญอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลย พอตื่นขึ้นมาสิ่งแรกก็ให้ตั้งสติก่อนว่ากำลังจะทำอะไรเช่นเวลาตื่นขึ้นมาเราก็จะต้องลุกขึ้นมาเพื่อที่จะไปทำหน้าที่ในห้องน้ำห้องท่าก่อนจะลุกขึ้นมาก็ให้รู้ก่อนว่ากำลังคิดว่าจะลุกขึ้นมาในขณะที่ลุกขึ้นมาก็ให้รู้ต่างว่ากำลังลุกขึ้นมาเวลายืนขึ้นเดินไปไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆ ก็ให้มีสติคอยตามดูอยู่เสมอถ้าเป็นอย่างนี้แล้วการกระทาของเราทั้งสามทั้งมนุกกรร ม, มวัจีกรรมและกายกรรมก็จะอยู่ในขอบเขตอยู่ในการควบคุมบังคับของเราแล้วถ้าเรารู้ว่าอะไรดีอะไรชัว่วได้ยิ่งดีใหญ่เพราะถ้าเรารู้แล้วเราก็จะได้ทำในสิ่งที่ดีนั่นเอง แต่คนเราในฐานะที่เป็นปุถุชนนั้นเรายังไม่สามารถรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีความคิดแบบไหนเป็นความคิดที่ดีความคิดแบบไหนเป็นความคิดที่ไม่ดีเราจึงต้องเข้าหานักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้าและพระอาหารหัน์สาวกทั้งหลายฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอนของท่านแล้วนาไปศึกษาไปพินิษพิจารณา ไปปฏิบัติเราจึงจะค่อยๆเจริญขึ้นในทางด้านปัญญาคือเราจะเริ่มรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดคำว่าถูกหรือผิดนี้หมายถึงอะไรที่เป็นคุณเป็นโทษกับจิตใจเป็นหลักถึงแม้ว่าการกระทําทางโลกนั้นเราจะถือว่าไม่ผิดแต่ในทางกระทําทางธรรมนี้เราถือว่าผิดเช่นการ การเล่นการพ น, นันการเที่ยวเตะตอนกลางคืนทางโลกเขาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นปกติแต่ในทางธรรมนั้นพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นเหตุที่จะนำพาไปสู่ความเสื่อมต่อไปอบายยมุกก็แปลว่าทวานสู่อบายอบายก็คือภูมิจิตของสัตว์ที่อยู่ในทุคตินั่นเองได้แก่เปรตอสุรากายเดรฉาน นรกนี่คือที่ไปของผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายามุขเนี่ยดังนั้นถ้าเราเข้าหาพระศาสนาเข้าหาพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ยินเรื่องของโทษของอบายามุขทั้งหลายแต่ถ้าเราไม่เคยเข้าวัดเลยเราไม่เคยสนใจที่จะศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยแล้วเราอยู่ในสังคมเราก็จะได้ยินคนที่เขา ออกมายืนยันหรือมารับรองว่าเรื่องา ร, องว า, รองาวของอบัยวมุขต่างๆนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายอะไรถ้ามองในแง่ของรายได้เงินทองกลับเป็นเป็นคุณเป็นประโยชน์เสียอีกเพราะเมื่อเราเปิดสถานบริการต่างๆก็มีคนไปใช้การบริการก็มีเงินทองไหลเวียนมีเงินทองเข้าสู่รัฐรัฐก็เก็บเงินภาษีอากรได้ แล้วก็เอาเงินภาษีากร น, นี้มาพัฒนาประเทศแต่การพัฒนาประเทศด้วยเงินทองนี้เพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นอาคารหรือสิ่งสิ่งที่จำเป็นต่อาการบริโภคเช่นน้ำไฟถ น, นนหนทางถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะมีความจำเป็นอยู่ก็ตามแต่ถ้าเราไม่สนใจต่อาการพัฒนาจิตใจของคนแล้ว สังคมนั้นจะหาความเจริญไม่ได้ถ้าจะเจริญก็เจริญในด้านวัตถุเท่านั้นแต่จิตใจของคนจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆดังที่เราคงจะเห็นกันอยู่ในวันในปัจจุบันนี้ทางด้านวัตถุนี้จะมีความเจริญรุ่งเรืองไปอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันทางด้านจิตใจก็เสื่อมมากปัญหาของของคนที่ขาดศีลธรรธมนี้สร้างปัญหาให้กับสังคม ไม่มีเว้นแต่ละวันถ้าเราเปิดหนังสือพิมพ์อ่านทุกวันก็จะมีข่าวข่าวของการเบียดเบียนกันสร้างความเดือดร้อนให้แก่กันก็เพราะว่าบุคคลเหล่านี้ไม่เคยได้ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาจิตใจของตนไปในทิศทางที่ดีที่งามนั่นเองมื่อแต่ส่งเสริมให้ทุกคนแสวงหาความสุขจากวัตถุ แสวงหาความสุขจากการบริโภคการคือรูปเสียงกินลสผลทพะยามที่ต้องการแล้วไม่มีปัญญาที่จะแสวงหามาได้ด้วยความสุดจริญก็ต้องไปการทําวิธีด้วยวิธีทุจริตมีการลักทรัพย์มีการป ร, ร, ระพฤติผิตเวณีมีการโกหกหลอกลวงมีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่เป็นวิถีทางที่จะจะเป็นไป อยู่อย่างนี้เราจะเป็นมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าสังคมของเราไม่ให้ความสนใจต่ อ, ตอหลักกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เพราะว่าสังคมจะอยู่กันได้ด้วยความร่มเงย็นเป็นสุขก็ต่อเมื่อทุกคนมีความสำนึกในเรื่องบาบุญคุณบุโ ท, ทุกคนมีฮิริโอตตะปะคือมีความอายมีความกลัวบาปเท่านั้น ถ้าตาบใดไม่มีความสำนึกในเรื่องบาปบุญกุลโทษไม่มีฮิริโอตปะอยู่ภายในใจของคนในสังคมแล้วสังคมก็จะมีแต่ความวุ่นวายมากขึ้นไปเรื่อยๆจนเป็นสังคมที่ไม่สามารถอยู่กันได้ต่อไปจึงขอให้เราทุกคนนั้นให้ความสนใจในเรื่องของศิลธรรมความดีงาม คือการกระทำความดีเพราะว่าถ้าเรากระทำความดีแล้วผลมันก็เกิดขึ้นในสองระดับด้วยกันในระดับแรกก็เกิดขึ้นกับตัวเราเองเวลาเราทาความดีเราละเ ว, ว, ว้นจากการกระทำความชั่วจิตใจของเราจะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขและการกระทำของเรานี้ก็สร้างไม่ไปสร้างความเดือดร้อนไม่ไปเบปียดเบียนผู้อื่นแต่ทาให้ผู้อื่นที่อยู่กับเรานั้น มีความร่มเย็นเป็นสุขไปด้วยมีใครอยากจะอยู่กับคนที่ไม่มีศีลบ้างมีใครอยากจะอยู่กับพวกโจรบ้างไม่มีใครอยากจะอยู่หรอกทุกคนก็อยากจะอยู่กับคนที่คนดีทั้งนั้นเพราะเวลาอยู่กับคนดีแล้วสบายใจถ้าเราไปจ้างสาวใช้มาอยู่บ้านสักคนหนึ่งถ้าเป็นคนที่เป็นคนดีเราก็สบายใจเราไปไหนมาไหนทิงบ้านให้เขาเขาก็ไม่ ทำความเสียหายให้กับทรัพย์สนบัติของเราแต่ถ้าสาวใช้เป็นคนไม่ดีเป็นคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมเวลาเราไม่อยู่บ้านเขาก็อาจจะเปิดประตูบ้านให้ขโมยมาขนข้าวของในบ้านของเราไปก็ได้ <c oughs> นี่แหละเราก็เห็นชัดอยู่ว่าผลของความดีนั้นมีคุณมีประโยชน์ขนาดไหนและผลของความไม่ดีนั้น มีโทษมากมายเพียงไรดังนั้นเราถึงควรหันมาสนใจในการพัฒนาจิตใจกันดีกว่าอย่าส่งเสริมในด้านความเจริญทางด้านวัตถุเลยเพราะมันไม่ใช่เป็นตัวที่จะทำให้สังคมเราและตัวเราเองอยู่กันได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเรื่องของวัตถุนั้นก็เพียงแต่ให้มีพอเพียงก็พอ คือให้มีปัจจัยสี่พอต่อการดารงชีพก็พอแล้วมากไปกว่า น, นั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเรามีมากไปกว่า น, นั้นเราก็ควรที่จะนามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นมีอะไรพอที่จะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปอย่างนี้ก็จะทำให้สังคมนั้นอยู่กันได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขถ้าต่างคนต่าง คิดแต่จะสะสมวัตถุสมบัติเข้าของต่างๆโดยไม่คำนึงถึงคนรอบข้างว่าเขาจะเดือดร้อนอย่างไรเขาจะทุกข์อย่างไรเขาจะลำบากอย่างไรถ้าเป็นอย่างนั้นสังคมก็จะเป็นสังคมที่มีความเหลื่อมล้าต่าสูงจะเป็นสังคมที่มีการเบียดเบียนกันเพราะเมื่อเขาขาดแคลนมากๆแล้วเขาไม่สามารถหามาได้ด้วยความสุดจริญ เขาก็ต้องหามาด้วยวิธีทุจริตนั่นเองถ้าเขาหิวข้าวเขาไม่มีข้าวกินเขาไม่มีงานทําจะให้เขาทําอย่างไรเขาก็ต้องไปขโมยไปไปปนไปจี้นั่นเองแต่ถ้าเราทุกคนหันมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องการกระทาความดีคือช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อนที่อยู่ในสังคมด้วยกันแล้ว รับรองได้ว่าสังคมของเรานั้นจะเป็นสังคมที่น่าอยู่อย่า ง, ย, างยิ่งเพราะเวลาที่เราช่วยเหลือคนอื่นคนอื่นเขาย่อมมีความสำนึกมีความรู้สึกในบุญในคุณของเราการที่เขาจะไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายจึ ง, จ, งจึงเป็นสิ่งที่ยากต่อการกระทาเพราะเขาก็อยู่ได้เพราะด้วยความช่วยเหลือของผู้อื่นนั่นเองและการที่เขาจะต้องไปสร้างความเดือดร้อน ให้กับผู้อื่นจึงเป็นสิ่งที่เขาไม่อาจจะทำได้ <c oughs> แต่ถ้าสังคมไม่เหลยวแลกันไม่ให้ความดูแลช่วยเหลือกันและกันต่างคนตา่างสะสมหาความสุขหาหาทรัพย์หา ส, บหาสมบัติให้กับตนเองแล้วรับรองได้ว่าสังคมก็จะต้องมีปัญหาตามมาอย่างแน่นอน <c oughs> ดังนั้นจึงขอให้เราจงให้ความสนใจ ต่อการพัฒนาการกระทาที่เรียกว่าความดีและพยายามลดละตัดการกระทาที่เป็นความไม่ดีความเชื่อนั้นเสียแล้วชีวิตของเราในสังคมจะเป็นไปได้ด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุดนี่แหละคือความเจริญที่แท้จริงความเจริญไม่ได้วัดกันได้กันด้วยวัตถุเข้าของต่างๆแต่วัดด้วย สภาพจิตใจของคนที่อยู่ในสังคมว่าเป็นจิตใจที่สูงหรือต่ำมากน้อยเพียงไรถ้าสังคมคนในสังคมมีศีลห้านั้นโลกนี้ก็เป็นเหมือนสวรรค์แล้วจะไปไหนมาไหนก็ไม่มีความกังวลเกี่ยวกับภัยต่างๆจะทิ้งบ้านไปโดยไม่ไ ม, ไม่ต้องใส่กุญแจก็สามารถทำได้เพราะไม่มีใครจะมาหยิบสมบัติเข้าของเงินทองของใครของกันละกัน เพราะต่างคนต่างมีศีลนั่นเองไม่ไม่ไม่เอาทรัพย์ของผู้อื่นมาโดยที่เขาไม่ให้เพียงแต่มีศีลห้าในสังคมแล้วเท่านั้นสังคมเราก็อยู่กันได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขแต่จะเป็นไปได้ไม่ได้นะั้นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างน้อยในในตัวเราเองนี่เป็นสิ่งที่เราทําได้ถ้าเรามีศีลเราก็จะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุข ถึงแม้เราจะไม่มีสมบัติเข้าของเงินทองมากมายก็ไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญอะไรเพราะสมบัติเข้าของเงินทองนั้นซื้อความสงบของจิตใจไม่ได้แต่ศีลนี่เป็นตัวที่ซื้อความสงบได้ดังที่ท่านได้ยินในอนิสงส์ของศีลว่าซีเลนะนิปุติยันติศีลเป็นเหตุที่นามาสู่ความระงับดับของความ ทุกความกังวลใจทั้งหลายนะจึงขอให้เราจงให้ความสำคัญต่อการกระทำความดีละการกระทำความชั่วยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดๆในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้นั้นล้วนเป็นสิ่งที่เราสมมุติขึ้นมาทั้งสิ้นของของเขานั้นเขามีอยู่มาแต่ดั้งเดิมเขาไม่มีคุณค่าราคาอะไรแต่มนุษย์เราไปสมมติว่ามีราคาขึ้นมา และเราก็เลยมาแย่งกันเพื่อที่จะมีสมบัติเหล่านั้นมาครอบครองเช่นเพชรนี่เราก็ขุดมาจากดินมันก็เป็นก้อนหินก้อนหนึ่งถ้าเราเอาเพชรกับกล้วยไปให้ลิงเลือกดูลิงมันจะเลือกอะไรรับรองได้ว่ามันไม่เอาเพชรแน่นอนพอเพราะเพชรมันไม่มีประโยชน์สำหรับลิงแต่กล้วยนี่มีประโยชน์กว่าฉันใดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็เป็นเชนนั้นไม่มีคุณล้าอะไร ถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้วเราก็จะไม่หลงกับเรื่องวัตถุต่างๆแต่สิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งก็จิตใจของเราและความดีงามเพราะถ้ามีความดีงามอยู่ในจิตใจแล้วจิตใจของเราจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญอยงจิตของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านได้พัฒนาความดีจนถึงจุดสูงสุดด้วยการให้ทาน ท่านมีสมบัติอะไรท่านก็สละหมดออกบวชแล้วท่านก็มารักษาศีลแล้วก็มาบำเพ็ญภาวนาทำจิตใจให้สงบเจริญปัญญาให้เห็นถึงความจริงว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนเมื่อท่านเห็นแล้วท่านก็สามารถตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้เมื่อตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจของท่านอีกต่อไป จิตของท่านก็เป็นจิตบรลมสุขที่เรียกว่าปาลมังสุขขังนิบานังบาลมัสุ ข, ขังนี่คือเป็นความสุขที่สุด ข, ของจิตใจที่เกิดจากการกระทำความดีขั้นต่างๆไปจนถึงขั้นสูงสุด <c oughs> เราผู้เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจึงไม่ควรมองข้ามหลักนี้ไปควรจะดูพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์สาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่าง เป็นสรณะท่านปฏิบัติอย่างไรเราควรที่จะปฏิบัติตามเพราะหนทางที่ท่านได้ไปถึงนั้นเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะพาไปสู่จุดที่ดีที่สุดของชีวิตจึงขอให้เราจงน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ใจอยู่เสมอเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติให้เราให้เรากะทำาตาความดีให้เราลกเว้นจากการกระทาความชั่ว แล้วผลอันดีงามที่เราทุกคนปรารถนาคือความสุขและความเจริญก็จะเป็นสิ่งที่ตามมาต่อไปจึงขอฝากเรื่องราวของหลักกรรมที่ทรงสอนไว้ว่าเรามีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอั น, นใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นให้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาข อ, อยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอขรรคผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้มากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย